ธรรมบทแปลเรื่องอหิเปรตภาคที่สามเรื่องที่ห้าสิบกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปราภรอะหิเปรตตนใดตนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านหิปาปังกตังกัมมังสัจจุขีรังวมุจิ หันติพาละมะนิวติพัสมาฉันโนวะปาวโกแปลว่าก่อกำชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้นบาปกรรมย่อมตามเผาคนผ่านเหมือนไฟอันเท่ากลบไวฉะนั้น ความพิสดารว่าในวันหนึ่งท่านพระลักณะเทระซึ่งจัดอยู่ในพวกเชลินพันหนึ่งและท่านพระมหามโมคลานะเทระลงจากภูเขาคิจกูดโดยคิดว่าเราจะเที่ยวบินตาบาตในกรุงราชกฤย์บรรดาพระเทระสองรูปนั้นท่านพระมหามโมคลานะ เห็นอหิเปรตตวหนึ่งจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระลักษณะเถระถามเหตุกับพระโมกลนะว่าท่านผู้มีอายุเพรเตไรท่านจึงทำการแย้มให้ปรากฏพระมหาโมกลนะตอบว่าท่านพระลักษณะตอนนี้ยังไม่ใช่การแลเพื่อที่จะตอบปัญหานี้ ท่านพึงถามผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดกเมื่อพระเตระทั้งสองนั้นเที่ยวบินนาบาดในกรุงราชกฤห์ไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงที่ส่วนข้างหนึ่งพระลัคณะเตระถามว่าท่านโมคละณนะผู้มีอายุท่านลงจากภูเขากิชกูดทำการแย้มให้ปรากฏ ผมถามถึงเหตุแห่งการแย้มแล้วท่านได้กล่าวว่าให้ผมถามในสำนักพระผู้มีพระภาคบัด น, นี้ท่านจงบอกเหตุนั้นเถิดพระหมาหมกลนะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุผมเห็นอะฮิปเปรตตนหนึ่งจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏอันตราพของปเปรตนั้นเห็นป่า น, นี้คือศีรษะของมันเหมือนศีษามนุษย์ อัตภาพที่เหลือของมันเหมือนของงูนั่นชื่ออหฮิเปรตคืออัตภาพโดยประมาณยีสห้าโยต์เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของมันลามไปจนถึงหางตั้งขึ้นจากหางถึงศีรษะตั้งขึ้นในท่ามกลางลามไปถึงข้างทั้งสองตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองรวมลงในท่ามกลางดังนี้ ได้ยินว่าอัตภาพของเปรตทั้งสองนั่นและยาวประมาณย5่าโยต์ของเปรตที่เหลือประมาณสกาวุธของอาหีเปรตนี้นั่นแลและของกากระเปรตประมาณ25โยต์บรรดาเปรตทั้งสองนั้นอาหีเปรตเป็นดังนี้ก่อนตอนบุรวษกรรมของกากระเปรต ระหมาโมกละนะเห็นแม้กากัะเปรดอันไฟไม่อยู่ที่ยอดเขากิจกูรเมื่อถามบุตรปรรมของเปรดนั้นจึงได้กล่าวกาตานี้ว่าลิ้นของเจ้าประมาณสี่ยอศีรษะของเจ้าประมาณ9ก้ายอกายของเจ้าสูงประมาณยี่สิบ้ายอเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงถึงทุกเช่นนี้กระนั้น เบเรศเมื่อจะบอกแก่พระเถระนั้นจึงกล่าวกาถานี้ว่าพระหมหาโมคละนะผู้เจริญข้าพระเจ้ากลืนกินพัดตามปรารถนาที่เขานํามาเพื่อสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้แสวงหากุณันใหญ่ดังนี้แล้วเบรจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ พวกภิกษุมากรูปเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินตบาตพวกมนุษย์เห็นพระเถระทั้งหลายแล้วเกิดความรักใคร่นิมนต์ให้นั่งในโรงฉันล้างเทา้าทาด้วยน้ำมันให้ดื่มข้าวยาคูถวายของขวนเคี้ยวรอคอยเวลาการบินตบาตนั่งฟังธรรมอยู่ในการจบธรรมกถาพวกมนุษย์รับ บาตของพระเทวทั้งหลายแล้วจัดใส่ให้เต็มด้วยโภชนะมีรถเลิต่ต่างๆในเรือนของตนของตนแล้วนำมาในครั้งนั้นข้าพระเจ้าเป็นกาจับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉันเห็นโภชนะนั้นแล้วได้คาบเอาคำข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งจากบาทหันมนุษย์ ผู้หนึ่งตืัไว้แต่พัดนั้นยังหาเป็นของสงไม่มิใช่เป็นพัดที่เขากำหนดถวายแก่สงเป็นพัดอันเหลือจากที่ภิกษุทั้งหลายฉันอันพวกมนุษย์พึงนำไปสู่เรือนกองตนบริโภคก็ไม่ใช่เป็นเพียงพัดที่เขานำมาเพื่อสงอย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าข้าบเอาคำข้าวสามคำจากบาดนั้น กรรมเพียงเท่านี้บุตรบุกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นทำกาละแล้วไม่ในอเวจีเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นในบัดนี้เกิดเป็นกากระเปรตเสวยทุกนี้ที่เขาคิ้จกูดด้วยผลกรรมที่เหลือในพระกรรมนั้นเรื่องกากับเปรตมีเท่านี้แต่ในเรื่องนี้ พระเถระกล่าวว่าผมเห็นอหิเปรตจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระาศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้นตรัสว่าพิสุททั้งหลายโมคลานะพูดจริงก็เราเห็นเปรตนั่นในวันบรรลุสัมมาสัมปวิยานเหมือนกันแต่เราไม่กล่าวเพราะหินดูคนอื่นว่าชนเราใด ไม่เชื่อคำของเราความไม่เชื่อนั้นพึงเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเหล่านั้นดังนี้ก็ในการที่พระมาโมคลานะเห็นเปรตแล้วนั่นแหลพระาศาสดาทรงเป็นพยานของด่านตรัสเรื่องย0สิบเรื่องแม้ในลักษณะสั่งยุดแล้วแม้เรื่องนี้พระเถระนั่น ก็กล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วจึงทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้นแม้พระาศาสดาก็ตรัสแก่ภิกษุตอนนั้นว่าตอนบุรพกรรมของอหิเปรตได้ยินว่าในอดีตการพวกชนอาศัยกรุงพราราณสีสร้างบารรณาสลาไว้เพื่อพระปัจเจกพระชา ใลฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นอยู่ในบรรณาศาลานั้นยอมเที่ยวไปบินดาบาตในหมู่บ้านอย่างหนึ่งนิดแม้พวกชาวเมืองมีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่ที่บํารุงของพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งเชา้าทั้งเย็นบุรุษชาวกรุงพนัสสีคนหนึ่งอาศัยหนทางนั้น ามาหาชนเมื่อไปสู่ที่บํารุงพระประัจเจกภูตเถ้าาย่อมเหยียบย่ํานานั้นไปทั้งเชา้าทั้งเย็นชาวนาแม้ห้ามอยู่ว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบบนนาของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะห้ามได้คระนั้นชาวนานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ถ้าบารรณศาลาของพระประัจเจกบภุตเถ้า ไม่พึงมีในที่นีไซชนทั้งหลายก็ไม่พึงเหยียบย่ำนาของเราก็าในการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินดาบาดชาวนานั้นทุบภาชนะเรื่องใช้แล้วเขาบรรณศาลาเสียพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นบรรณศาลานั้นถูกไฟไหม้จึงหลีกไปตามสบายมาหาชนถือของหอม และระเบียบดอกไม้มาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราไปนาที่ไหนน้อแลแม้ชาวนานั้นก็มากับด้วยมหาชนเหมือนกันยืนอยู่ในที่ท่ามกลางมหาชนพูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเองเผาบรรณศาลาของรรกกพระปัจเจกพรพุทเจ้าเ่นี้หลังนั้ น, นชนทั้งหลาย จึงพูดว่าพวกท่านจงจับบุรุษผู้นี้ไว้พวกเราอาศัยบุรุษชั่วนี้จึงไม่ได้เพื่อจะเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้กกาในนี้แล้วก็โบยชาวนานั้นด้วยเครื่องประหารมีท่อนไม้เป็นต้นให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วชาวนานั้นเกิดในเอเวจีไม่ในนรกตราบเท่าแผ่นดินนี้ น่าขึ้นประมาณโยอหนึ่งแล้วจึงเกิดเป็นอาหีเปรตที่เขากิจกูด้วยผลกรรมที่เหลือตอนพระศ า, ศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรมพระศ า, ศาสดาครั้นตรัสบุตรกรรมของอาหีเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิสุ์ทั้งหลายชื่อว่าบาปกรรมนั้นเป็นเช่นกับน้ำนม น้ำนมอันบุคคลกำลังรีดแลย่อมไม่แปรไปชั้นใดกรรมอันบุคคลกำลังกระทานั่นแลก็ยังไม่ทันให้ผลฉันนั้นแต่ในการใดกําให้ผลในการนั้นผู้กระทําย่อมประกอบด้วยทุกขเห็นป่านนั้นนั่นี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบมนุสสนทิจึงตรัสประกาศานี้ว่า ก่ำชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้นบาปกรรมย่อมตามเผาคนปานเหมือนไฟอันเท่ากลบไว้ฉะนั้นบาลีว่านาหิปาปังกระตังกัมมังสัจชุขีรังวะมุจจิทัหันติ พาละมะเนวติพัสมาฉันโนวะปาวโกในบรดาคมเหล่านั้นคำว่าสัตชุกีรังแปลว่าน้ำนมที่รีดในขณะนั้นหมายความว่าน้ำนมซึ่งไหลออกจากนมของแม่โคนมในขณะนั้นนั่นแลยังอุ่นย่อมไม่เปลี่ยนคือย่อมไม่แปรไปท่านตรัส คำอธิบายไว้ดังนี้ว่าน้ำนมที่เขารีดในขณะนั้นย่อมไม่เปลี่ยนคือไม่แปร ى, ได้แก่ไม่ละปกติในขณะนั้นนั่นแหลแต่ที่เขารีดใส่ไว้ในภาชนะใดก็ย่อมไม่ละปกติราบเท่าที่ยังไม่ได้ใส่ของเปรี้ยวมีเปลียงเป็นต้นลงในภาชนะนั้น คือตราบเท่าที่ยังไม่ถึงภาชนะของเปรี้ยวมีภาชนะนมส้มเป็นต้นย่อมละในภายหลังฉันดใดแม้บาปกรรมที่บุคคลกำลังทำก็ย่อมไม่ให้ผลฉันนั้นเหมือนกันถ้าบาปกรรมพึงให้ผลในขณะ ร, รมใครๆไม่พึงอาจเพื่อทำบาปได้ก็ขันทั้งหลายมีบังเกิดด้วยกุศล ยังทรงอยู่เพียงใดกันเหล่านั้นย่อมรักษาบุคคล น, นั้นไว้ได้เพียงนั้นเมื่อกันทั้งหลายเกิดในอบายเพราะความแตกแห่งขันเหล่านั้นบาปกรรมย่อมให้ผลก็เมื่อให้ผลชื่อว่าย่อมตามเผาผลาญคนบนันถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าเหมือนไฟอันเท่ากลบไว้อธิบายว่า เหมือนอย่างว่าทานไฟปราศจากเปลวไฟอันเท่ากลบไว้แม่กลดเยียบแล้วก็ยังไม่ไม่ก่อนเพราะเท่ายังปิดไว้แต่ทำเท่าให้ร้อนแล้วย่อมไม่ไปจนถึงมันสมองโดยการไ่เอวัยวะมีหนังเป็นต้นจันใดแม้บาปกรรมก็ฉันั้นเหมือนกันเป็นบาปกรรมอันผู้ใดกระทาไว้ ยอมตามเผาผู้นั้นซึ่งเป็น่านเกิดแล้วในอบายมีนรกเป็นต้นในอัตภาพที่สองหรือสามในการจบเทสนา่วนเป็นนันมากมารรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นดันงนี้แหละเรื่องอาหิปเปรต